ธรรมานุปัสสนานิวรณะบัพพะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอยู่เสมอได้ภิกษุในพระศาสนานี้เมื่อความพอใจยินดีในกามีอยู่ภายในจิตยอมรู้ชัดว่าความยินดีพอใจในการมีอยู่ภายในจิตของเรา เมื posición, ่อความยินด si thi. hmm. ีพอใจในกาไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความยินดีพอใจในกาไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความยินดีพอใจในกาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความยินดีพอใจในกาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความยินดีพอใจในกาที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตย่อมรู no> ้ชัดว่าความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความพยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความง่วงเหงาซึมเศร้ามีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความง่วงเหงาซึมเศร้ามีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่มีอยู่ภายในจิตของเรา no well อนหนึ่งความง่วงเหงาซึมเศร้าที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความง่วงเหงาซึมเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสีดได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความง่วงเหงาซึมเศร้าที่ละได้แล้วจะไม hm. ่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย อีกอย่างหนึ่งเมื่อความฟุ้งซ่านรําคาญใจมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านรําคาญใจมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความฟุ้งซ่านรําคาญใจไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านรําคาญใจไม่อยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความฟุ้งซ่านรําคาญใจที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ความฟุ้งซ่านรงคาญใจที e ่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความฟุ้งซ่านรงคาญใจที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความลังเลสงสัยมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความลังเลสงสัยมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความลังเลสงสัยไม่มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าความลังเลสงสัยไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอหนึ่งความลังเลสงสัยที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความลังเลสงสัยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ธรมานุปัสสนาขันธบั พ, พะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันห้าอยู่เสมอด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันห้าอยู่เสมอได้ภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณาเห็นว่าอย่างนี้รูป อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณ อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณธรร ม, มานุปัสสนาอายตนะบะพะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอกหกประการด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะหกอยู่เสมอได้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 ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้จักหูรู้จักเสียงรู้จักหูและเสียงทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยช like น, น์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสร็จได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 ย่อมรู้จักลิ้นรู้จักรถรู้จักลิ้นและรถทั้งสอ ง, งนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน์ที่ไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อม yes. รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ยอมรู้จักกายรู้จักสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกายรู้จักกายและสิ่งที่พึงจะถูกต้องด้วยกายทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 ธรรมานุปัสสนาโพชงคะบัพะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชงเจ็ดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชงเจ็ดอย่างไรเล่าภิกษุในพระศาสนานี้เมื่อสติสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตของเรา หรือเมื่อสติสัมโพชงไม่มีอยู่หนาภายในจิตย่อมรู้ชัด ว, ว่าสติสัมโพชง์ไม่มีอยู่หนาภายในจิตของเราอนหนึ่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมพุทชงมีอยู่ในภายในจิตของเราหรือเมื่อธรรมวิจยะสัมพุทธชงไม่มีอยู่ในภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมพุทชงไม่มีอยู่ในภายในจิตของเราอันหนึ่งธรรมวิจยะสามพุทชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสามโพุทชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย อีกอย่างหนึ่งเมื่อวิริยะสัมโพชฌงมีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌงมีอยู่ห น, น, นภายในจิตของเราหรือเมื่อวิริยะสัมโพชฌงไม่มีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌงไม่มีอยู่หนภายในจิตของเราอันหนึ่งวิริยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิริยะสัมโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใด ยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อปิติสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตยอมรู้ชัดว่าปิติสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตของเราหรือเมื่อปิติสัมโพชงไม่มีอยู่หนภายในจิตยอมรู้ชัดว่าปิติสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตของเราอันหนึ่งปิติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยปิติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้ว จะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อปัจสธิสัมโ์ชง์มีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัจสถานพจน์ชงมีอยู่หนภายในจิตของเราหรือเมื่อปัจสธิสัมโ์ชงไม่มีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัสสถานพจโ์ชงไม่มีอยู่หนภายในจิตของเราอนหนึ่งปัสสถานพจน์ชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปสัทธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมาธิสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตของเราหรือเมื่อสมาธิสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตของเราอันหนึ่ง สมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่ออุเบกขาสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตของเราหรือเมื่ออุเบกขาสัมโ พ, พมชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิต ยอมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงไม่มีอยู่หนาภายในจิตของเราอันหนึ่งอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมานุปัสสนาสัจจะบัพพะดูกนภิกษุทั้งหลาย ยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ส, สี่อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ส, สี่อยู่อย่างไรเล่าภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านิทุกน้ทุกขสมุทัยนี้ทุก ข, น, กขนิโรธนิทุกขนิโรธาคามีปฏิปทา